พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ณพระคันทกุตีใกล้มหาวิหารเวรุวันได้ทรงสดับเสียงแผ่นดินไหวทรงรำพึงว่าแผ่นดินไหวนี้เพื่อใครหนอทราบว่าปิผลิมานพกับนางพัฒนาปิลานีสละสมบัติมากมายอุทิศเราการไหวของแผ่นดินนี้เกิดด้วยกําลังคุณของคนทั้งสองในที่ที่เขาจากกันแม้เราก็ควรทําการสงเคราะห์แก่เขาทั้งสองจึงเสด็จ ออกจากพระคาร์โตคุตีถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองไม่ทรงปรึกษาใครๆในบรรดาพระมหาเทระแปดทรงกระทําการต้อนรับสามขาวุฒประทับนั่งขัตสมาธินะโคนต้นพระหุปุตตะนิโครธในระหว่างกรุงราชคฤกและกรุงนาลันทาก็เมื่อประทับนั่งไม่ได้ประทับนั่งเหมือนภิกษุผู้ถือบางสกุลเป็นวัดรูปใดรูปหนึ่งทรงถือเพศแห่งพระพุทธเจ้าประทับนั่งเปล่งพระพุทธรัตมี เป็นลำสู่ที่ประมาณ80ดสอกอัน8ปสอกโดยรอบนี้มีรัศมีออกหมดเลยในขณะนั้นพุทธรัศมีมีประมาณเท่าใบไม้ร่มล้อกเวียนและเรือนยอดเป็นต้นแผ่ซ่านสายไปข้างโน้นข้างนี้ปรากฏการดุดเวลาพระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้นพันดวงกระทำบริเวณป่าให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นพระมหากัตก็เดินทางมาถึง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 อาจอย่างนี้ก็เป็นชื่อว่าเป็นการถึงไตราสารนาคมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแค่เห็นปั๊บเนี่ยถึงเลยแสดงว่าความเชื่อมั่นเนี่ยพอมองเห็นเนี่ยรู้ทันทีว่าคนนี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นท่านพระมาหกากษะสปะก็กราบทูลว่าข้าขาแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นาศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกขอเป็นลูกศิษย์ทันทีเลย พอพระ อ, องค์กราบ เ, เมื่อเข้ากราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านว่าดูก่อนกนสปัปผู้ใดเล่ายังไม่ทราบชัดถึงสาวกผู้ประมวลมาด้วยจิตอย่างนี้แล้วจะพึงพูดว่ารู้ยังไม่เห็นเลยจะพึงพูดว่าเห็นศีรษะของบุคคล น, นั้นพึงแตกนะถ้าหากว่าใครเนี่ยไปรับสมอ้างัาง้นทั้งๆที่ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้ารับสมอ้างผู้ที่มีคุณขนาดนี้ไปกราบไหวเนี่ยหัวแตกแน่นั่ง ดูก่อนกัสสะแต่เรารู้อยู่จึงพูดว่ารู้เห็นอยู่จึงพูดว่าเห็นเพราะเหตุนั้นแหละกัสสะเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเข้าไปตั้งฮิริโอตปะอย่างแรงกล้าในภิสูจนทั้งหลายผู้เป็นเทระผู้นวกะและผู้มัชชิมะเนี่ยนะก็คือโอวาทที่พระองค์จะสอนให้บวชนั่นเองเราจะฟังธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลจักธรรมธรรมะทั้งหมดนั้นให้เกิดประโยชน์ สายใจถึงธรรมนั้นทั้งหมดจักประมวลมาด้วยจิตทั้งหมดเงี่ยโสดสดาพะธรรมเราจากไม่ละกายคตาสติที่สหรคตด้วยกุศลความสำราดูก่อนกัศปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็โอวาสามข้อถือว่าเป็นการบวชของพระมหากศะัะแล้วพระมหากษัะก็ได้เล่าให้พระอ น, นุลฟังว่าดูก่อนผู้มีอายุ เราเป็นหนี้บริโภคก้อนข้าวของชาวราษฎรถึงหนึ่งสัปดาห์ก็คือคําว่าเป็นหนี้แปลว่าท่านบวชนี้ท่านเป็นปุถุชนอยู่แค่เจวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านถือว่าเป็นปุถุชนบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นหรือของราศฎรเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหนี้นี่นี่ความสําคัญของท่านนะแต่จริงๆแล้วการบริโภคในศาสนานี่มีอยู่4อย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่า อินะบริโภคทยาบริโภคบริโภคอย่างเป็นขโมย 2. อินะบริโภคบริโภคอย่างเป็นเป็นหนี้สทายาช่บริโภคบริโภคแบบผู้รับมรดกหรือทายาทและก็4เป็นสามีบริโภคบริโภคอย่างเจ้าของทีนี้ทยะบริโภคก็คือผู้ไม่มีศินเนี่ยถึงนั่งท่ามกลางสง์บริโภคก็ชื่อว่าเป็นทยะบริโภคเพราะว่า ผู้ที่ถวายทานก็ถวายแด่ผู้มีศีลแม้พระศาสดาก็ทรงอนุญาตปัจจัยสี่แก่ผู้มีมีศีลเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีศีลแม้นั่งท่ามกลางสงบริโภคก็ชื่อว่าเป็นทยะบริโภคบริโภคอย่างขโมยข้อสองก็อินะบริโภคบริโภคอย่างเป็นหนี้ก็คือพระที่มีศีลน่ะแต่ว่าบริโภคปัจจัยสีโดยไม่ปัจเจก อนนไม่ปฏิสังขาโยนะถ้าถ้าสำนวนคนวัดเขาเรียกว่าไม่ปฏิสังขาโยสำนวนผู้ศึกษาธรรมะเรียกว่าไม่พิจารณาไม่พิจารณาว่าเราบริโภคจีวรเพื่ออะไรใช่ไหมไม่บริโภคด้วยความติดอกติดใจนะก็คือบริโภคด้วยมีการพิจารณาโดยเยบคายว่าเราจีวรไรที่เรานุ่งห่มใช้สอยนี้จีวร น, นั้นเรานุ่งห่มเพื่อ บำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผสัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์ด้วยคลานทั้งหลายและก็เพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายนี้เขาเรียกว่าศาสกาศสมประชัญญะในขณะที่บริโภคจีวรและถ้าไม่ปัจเวกนะพระองค์บอกว่าเป็นเป็นนี่เป็นอินะบริโภคนะในวันนี้นี่หรื อ, อยัง นะก็เอตอนห่มมานี่เพียบปัจจเวกหรือเปล่าห่มทิ้งเดี๋ยวเป็นนี่นะต่อไปก็เป็นสามก็ทายชาบริโภคบริโภคของผู้มีศีลอ่าเป็นปุตุชนก็ตามเป็นพระเสขะก็ตามผู้มีศีลแล้วก็ปัจจเวกลักษณะนี้เป็นทายชาบริโภคถ้าหาว่าพระภิกษุ ป, ปุตุชนนะหนึ่งศีลสมบูรณ์สองปัจจเวกอ่าอย่างนี้ชื่อชื่อว่าสงเคราะห์เป็น ทายาทชาบริโภคบริโภคของพระอริยสาวกเบื้องต่ําเว้นพระอาหารหันต์เรียกว่าทายาทบริโภคและก็สุดท้ายพระอาหารหันต์บริภคเรียกว่าสามีบริโภคหรือเจ้บริโภคแบบเจ้าของทีนี้พระมหากัะสป่านี่ท่านท่านคิดท่านเองนะท่านบอกว่าผู้ที่ท่านเองเนี่ยสมัยที่ยังมีกิเลสเนี่ยเป็นปุถุชนอยู่เจ็วันเนี่ยท่านถือว่าท่านเป็นบริโภคแบบเป็นเนี่ยเป็นนี่อยู่เ็ดวัน คันวันที่8พระอาหารหันตผลจึงปรากฏเกิดขึ้นคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากหลีกจากขนทางตรงไปยังโคนไม้แห่งหนึ่งเราจึงเอาผ้าสังฆติสิแห่งผ้าเก่าก็เลยปูเป็นสีชั้นถวายก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จมาพระมหากระสาบาก็เอาสังฆติก็คือผ้าคลุมของท่านพับเป็นสี่ชั้นแล้วก็ปูให้พระพุทธเจ้านั่งแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานเถิดพระมหากษัตริยก็เล่าให้พระอนนท์ฟังต่อไปว่าดูก่อนอาวุโสพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวายครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับเราว่ากษัตริยผ้าสังขาติแห่งผ้าเก่าที่เธอใช้ผืนนี้อ่อนนุ่ม แล้วก็พม่ากัสปะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดอนุเคราะห์ทรงรับผ้าสังคาติแห่งผ้าเก่าของข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนกัสปะเธอจัดครองผ้าบางสกุลที่ทําด้วยผ้าป่านซึ่งยังใหม่หรือพม่ากัสปะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักครองผ้าบางสกุลที่ทําด้วยผ้าป่านซึ่งยังใหม่ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดูก่อนอาวุโสเราได้มอบถวายผ้าสังฆาติแห่งผ้าเก่าแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้รับผ้าบางสกุลที่ทำด้วยผ้าป่านซึ่งยังใหม่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดูก่อนอาวุโสก็เมื่อบุคคลจะพูดให้ถูกพึงพูดถึงผู้ใดว่าบุตรผู้เกิดแต่อกผู้เกิดแต่อกเกิดแต่พระโอดของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดแต่พระธรรม อันธรรมะเนรมิตรแล้วเป็นธรรมะทายาทจึงรับผ้าบางสกุลที่ทําด้วยผ้าป่านซึ่งยังใหม่เมื่อเขาจะพูดให้ถูกพึงพูดถึงผู้นั้นคือเราว่าบุตรผู้เกิดแต่อกนะพมากัสป่านี่ถือว่าเป็นผู้เกิดแต่อกของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่พระโอษพระโอษก็คือเกิดจากปากก็ที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมไปของพระผู้มีพระภาคเกิดแต่พระธรรม อันธรรมะเนรมิตแล้วเป็นธรรมะทายาตรรับผ้าบางสกุลที่ทำด้วยผ้าป่านซึ่งยังใหม่ดูก่อนอวุโสเราหวังสงัดจากการมสงัดจากอกุศลธรรมแล้วเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจาร์มีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่แล้วก็พระมหากระสปะท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านนี้เป็นผู้ที่ได้อนุปุาพวิหารสมาบัติก็คือวิหารสมาบัติทั้ง9้าที่เข้าตามลาดับ ก็คือได้ปฐมฌานด้วยได้ทุติยฌานได้ตาติยฌานได้จตุทชฌานแล้วท่านก็สามารถที่จะได้อากาสานัญจาญตนะได้วิญญาณัญจาญตนะได้อากินจัญญาญตนะและได้เนวสัญญาณาสัญญาญตนะแล้วท่านสามารถที่จะเข้าสัญญาเวดายตานิโรธหรือเนโรสมาบัดเพื่อที่จะระงับดับสัญญาได้หมดแล้วท่านได้อภิญญาทั้งหกอย่าง นะไม่ว่าจะเป็นระลึกชาติได้มโนมยิทธิอิทธิวิธีหูทิพตาทิพเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายระลึกชาติได้ทำอาสะวะกิเลสให้หมดดูก่อนนะวุโสเราทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติอันหาอาสะวะมิได้เพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งเอ ง, เองในทิฏฐธรรมเข้าถึงอยู่ผู้ใดสําคัญเราว่าควรปกปิดด้วยอภิญญาหก ผู้นั้นก็ควรสําคัญช้างเจ็ดศอกหรือเจ็ดศอกครึ่งว่าจะพึงปกปิดด้วยใบายตาลได้เรียกว่าสำนวนที่ว่าเอาใบาตาลหรือเอาใบาบัวเนี่ยมาปิดปิดช้างนะช้างล้มทั้งตัวเอาใบาบัวมาปิดก็ไม่อยู่ว่างั้นถ้าใครจะบอกว่าปกปิดอ่าคุณของพระมหากระสปะอภิญญาหกเนี่ยควรปกปิดเอาไว้ไม่ควรบอกใครก็เหมือนกับเอาใบาตาเนี่ยมาปิดช้างซึ่งมันใหญ่ๆอย่างนั้นก็แลภิกษุณีทุลนนันทา เคลื่อนจากพมมาจาย์เสียแล้วทิสุนีที่ไปว่าพระมหากระสปะนี่ไม่รู้อะไรเลยไปว่าพระอนนท์ใช่ไหมผู้เป็นมุนีผู้เปลืองปราดานะคำตำหนิของทิสุนีทุลนันทานเนี่ยคำพูดอันนั้นเนี่ยฆ่าตัวเองเลก็คือต้องตกจากาศาสนาไปแล้วก็เพราะพระมหากระสปะนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากแล้วหลังจากนั้นพระมหากระสปะเนี่ยเป็นประธานในการสังขยาธรรมวินัยอ่ะ มันพระมหากษัตรนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเรียกว่าเกือบเทียบพระศาสดาและก็แต่ว่าผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้ก็หมดไปแล้วอันข้อความในคำพีพุทธวงศท่านจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคถึงพระองค์จะมีบุญมากขนาดไหนก็ตามภาษาวกของพระองค์จะมีฤทธิ์มากมายขนาดไหนก็ตามเหมือนกับกองกองไฟใหญ่ ไฟนั้นเมื่อลุกสว่างรุ่งโรจน์ถึงที่สุดแล้วก็ต้องดับไปชันใดศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนก็เหมือนกันก็หมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยจนถึงพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมก็สว่างรุ่งโรจน์อยู่ในโลกตราบมาเท่าถึงทุกวันนี้แต่ก็เริ่มริบปรีเต็มทีก็เหมือนกับไฟดวงใหญ่ซึ่งเดี๋ยวก็มอดลงและทีนี้ พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนกับไฟดวงใหญ่ก็เหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์แสงสว่างแห่งดวงจันทร์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สองโลกคือสองสัตว์โลกให้มองเห็นบุญมองเห็นบาปมองเห็นดีเห็นชั่วมองเห็นสาระไม่ใช่สาระมองว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางอะไรเป็นประโยชน์ใน โลกนี้อะไรเป็นประโยชน์ในโลกหน้าอะไรเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพนพานผู้ที่เขามีบุญมีปัญญาเขาสามารถที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมอันนี้จากพระผู้มีพระภาคได้แต่ว่าเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่าเป็นสารณะถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะถึงพระสงฆ์ผู้มีเยี่ยงอย่างเหมือนพระหมหากระสปะนี่แหละเป็นสารณะ พราะมหากระสปะพระสารีบุตรพระโมคขลานะพระอนนท์พระราหุลเป็นต้นเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นพระที่เจริญงอกงามเป็นพระที่เกิดจากอกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นธรรมธายาตท่านเหล่านั้นแหละคือสาวกของพระผู้มีพระภาคเราขอถึงท่านเหล่านั้นว่าเป็นสารณะว่าเป็นที่พึ่งจะไม่เราก็จะเข้าใจชัดเจนว่าการฟังประวัติของ เถระหรือคุณธรรมของท่านเหล่านั้นทําให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นเห็นสังขคุณชัดขึ้นว่าผู้ที่ปฏิบัติตามแบบนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราจริงๆท่านเหล่านั้นนี่แหละเป็นผู้ที่ยั่งประโยชน์ให้เราให้สําเร็จได้ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์คือลูกชาวบ้านนะถ้าบอกพระสงฆ์คือใครลูกชาวบ้านอะอย่างนี้โอ้แล้วเอาเป็นที่พึ่งได้เลย เราก็ต้องทบทวนให้เข้าใจเพราะยิ่งคนทุกวันนั้นไม่สามารถที่จะให้ทานได้ถูกต้องพอให้ทานในบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าเสร็จแล้วบุคคลนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วทำไงรักษาใจไม่ได้พอรักษาใจไม่ได้นะบุญที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นมาเนี่ยมีผลเหมือนการแตะถือว่าเกือบศูนย์คล้ายๆกับว่าโอ้โหลงทุนปลูกต้นไม้ดอกไม้อย่างดีเลยแต่แล้วเด็ดยอดทิ้ง ผู้ที่ทำบุญแล้วก็รู้สึกเสียดายในภายหลังเนี่ยไม่ต่างกันกับผู้ที่ปลูกต้นไม้อย่างดีรดน้ำพรวนดินอย่างดีเสร็จแล้วก็ไปตัดยอดทิ้งอ่ะยอดที่มันจะงอกงามขึ้นตัดทิ้งฉันใดผู้ที่ให้ทานโดยที่ไม่เข้าใจแล้วก็ให้ทานปารบบุคคลส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าบุคคลผู้ไม่ใช่สงสาวกของพระผู้มีพระภาคคนเหล่านั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคจริงๆจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเสาหินยาว16ศอกฝังลงไปในดินเนี่ยแปดซอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวด้วยลมที่พัดมาจากทิศทั้งสชั้นใดถ้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคจะไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมทั้ง8ปดฉะนั้นเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าในยุคนี้เราไปหาที่ไหนพระผู้มีพระภาคจึงทรงสแสดงเรื่องสังฆทานเอาไว้ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้ทานควรปรารภถึงพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงถึงทานที่เราจะให้แม้แต่พระนมเนน้อยชั่วเลวขนาดไหนก็เรื่องของท่านไปแต่เราให้แล้วเราปรารภสงฆ์เมื่อเราปรารภสงฆ์บุญของเราไม่ได้ลดไปเลยเพราะเจตนาของเราตั้งไว้ชอบแล้วก็มีอุบาสกอยู่คนหนึ่งเมือกันนะใน ท้าทินาวิพังกสูตรเขาเขาถวายสังฆทานแต่ถวายองค์เดียวสังฆทานนี่แปลว่าทานที่ไม่เจาะจงนะสังฆทานไม่เจาะจงพิสูรรูปใดรูปหนึ่งให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความยำเกรงลักษณะนี้เป็นสังฆทานก็เลยนิมนต์พระองค์หนึ่งไปถวายสังฆทานเขาเนี่ยเป็นเจ้าของวัดเขารู้เลยนะผ้าในวัดเนี่ยใครเป็นยังไงยังไงรู้หมดแต่ว่าต้องการถวายสังฆทานองค์หนึ่งเขาก็นิมนต์พระองค์หนึ่งไปองค์นี้นี่ก็ไปพอพระ องนี้เนี่ยอุบาสกเนี่ยรู้เลยว่าองนี้เนี่ยไม่ดีแต่ก็รู้นะแต่ก็ทําใจท่านนี้เพราะท่านยําเกรงในสงเนี่ยท่านทําใจเหมือนกับว่าท่านวันนี้ท่านรับเสร็จพระพุทธเจ้าท่านทําใจในลักษณะนั้นอะเหมือนกับท่านกําลังจะทําบุญในพระพุทธเจ้าท่านไม่คิดอย่างอื่นเลยนะจิตของท่านไม่เปลี่ยนแปลงท่านโอ้จัดการต้อนรับอย่างดีเหมือนทําบุญกับพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ถวายทานเรียบร้อยพระฉันเสร็จกลับ ลหลังจากกลับหลังจากนั้นพระรูปนี้ก็มาขอยืมจบโยมขอจอบหน่อยเอาไปถางหญ้าที่วัดถ้าเป็นโยมทาไงบาศก ค, คนนี้เนี่ยเอาเท้าไปเขี่ยให้เลยเอาไปคนนี่งงเลยเฮ้ยอะไรกันแ <laughs> น, เ น, นเเ่เมื่อเช้าเนี่ยหทําอย่างดีเลยตอนนี้มาเอาเท้าเขียยให้บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยทํากับสงตอนนี้แต่กับบุคคลทํำยังไงก็ได้เพอเขาแยกออกเมื่อเขาแยกออกเขาจึงรักษาใจได้ รักษาใจได้เพราะท่านเหล่านั้นบางอย่างน้อยๆที่สุดก็เป็นโคตรภูนโคตรภูสงก็เป็นโคตรของสงแต่พระองค์กล่าวว่าไม่กล่าวโดยประการรายเลยว่าให้ทานกับบุคคล น, นั้นน่ะมีผลมากมีอั น, นิสงมากถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมอย่างที่ว่านะเราให้ทานเจาะจงเนี่ยทานเจาะจงหรือไม่เจาะจงอยู่ที่ไหนอยู่ที่เจตนาของเรานะ ไม่ได้กล่าวว่าอีมานีไม่ยังพันเตพูดอย่างนี้แล้วจะเป็นสังฆทานเสมอไปนะถึงอีมานี้แต่ต้องหลวงพ่อองค์นี้อ่ะนะจึงอีมานีไม่ยังพันเตเนี่ยก็ยังไงก็ปาติอยู่ดีนั่นแหละอีมานี้แต่วาจาเขาบอกงั้นเพราะฉะนั้นเราต้องสภาพจิตของเราเนี่ยต้องไม่ไม่เลือกนะไม่หวั่นไหวว่านี้เป็นพระมหาเถระนี้เป็นพระเถระนี้เป็นมัชชิมะนี้เป็นนวกะนี้เป็นเนน้อยไม่แยกเลยยำเกรงในสงฆ์และสา ม, มารถให้ได้ มันลักษณะนั้นจึงเป็นสังคทานของเหล่านั้นแม้จะเป็นน้ําแก้วเดียวก็เป็นสังคทานได้น้ําแก้วเดียวไม่ต้องหอบทั้งเหลืองก็เป็นสังคทานเพราะทุกวันนี้นิมิตของสังคทานก็คือหอบขี้หิว้วถังเหลืองมาใบหนึ่งอาโอ้โหนี่มาสังฆทานนี่งไงเลยเอาหลวงพ่ออยู่ตรงนั้นว่าหลวงพ่อไม่อยู่ไม่ถวายเลยกลับเลยหิว้วสังคทานนั่นแหละกลับต่อนั่นแหละเพราะนั้นความสับสนในเรื่องสังคทานเป็นต้นนี้ก็เต็มทีเพราะฉะนั้นเราจะให้ทานเราก็ควรปรารบถึงพระรัตนตรยัย ปราบถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วให้ทาน่ะใครรับก็ได้หรือถ้าหากว่าเรานึกถึงสังฆคุณพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปใดรูปหนึ่งเสร็จแล้วเราให้ทานก็ได้ดังนั้นส่วนนี้เนี่ยถ้าเราทำใจให้ลักษณะนี้นะเราจะรักษาใจเราได้คนอื่นจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่ใจที่เป็นบุญของเราแล้วเนี่ยบุญที่เราได้ให้ไปแล้วนะไฟก็ไม่ไหม้น้าก็ไม่ท่วม โจรก็ปล้นไม่ได้พระราชาก็ริบเอาไปไม่ได้เพราะบุญที่ทําไว้แล้วนั้นอะ่ะถ้ามีเหตุมีปัจจัยพร้อมกุศลเหล่านี้ก็จะให้ผลตามสมควรแก่กุศลเหล่านั้นพราะท่านเปลี่ยนชื่อเป็นกัสปะหมายว่าท่านเรียกตามโคตรใช่ไหมครับ เ, เรียกตามโคตรเจทอนเปลี่ยนชื่อเลยเจทรนชื่อธรรมดาเรียกว่าปิดผลิมานพแต่เรียกตามโคตรเรียกว่ากัสปะทีนี้กัสปะนี่มีหลายองค์ท่านเลยเรียกมหาเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงใหญ่เป็นอสศติ ท่านเป็นสาวกที่สามภาษาริบุตรนับหนึ่งพโมคลานะนับสองถ้ามากัสปานี่นับสามนั่นแหละเป็นาสาวกองค์ที่สามที่เรียกว่าที่ใช้สังคติผืนเดียวกันกับพระพุทธเจ้าว่างั้นแถอะอันแล้วก็ผู้ที่มีคุณธรรมสูงมากเพราะะฉนั้นพระสงค์สมัยที่ท่านยังมีพระชนอยู่นะแต่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านพูดคําไหนเนี่ยเป็นงคำ น, นั้นมดเลยมันคนเนี่ยเกรงใจเคารพท่านมากแล้วท่านเป็นพระที่มี อภิญยาใหญ่ก็คือขนาดพระอายุร้อยี่สิบปีเนี่ยเดินเขาขึ้นลงเขาขิ้จิกูลเนี่ยธรรมดาเลยร้อยี่สิบปีนะแค่ดูร้อยยี่สิบเนี่ยของเราเนี่ยยมพุ ก, การเนี่ยเดินขึ้นคล่องหรือเปล่าไ ห, ห้ลนกเออเขาขี้จิกูลไม่เชียเตี้ยนะเกิดเจนพอเนนะของท่านเนี่ยขึ้นลงนะบินธบาต ท, ทุกวนะันอะพวกทิดไปเที่ยวจากเมืองไทยเนี่ยคนมีอายุหน่อยต้องหามอะ <laughs> ของท่าน120ของท่านรยปีเนี่ยเดินขึ้นลงบินทบบตรปกตินั่นแหละเพราะท่านเป็นพระที่มีมหาอภิญญาใหญ่รละลึกชาติได้อภิญญาหกของท่านเนี่ยไม่ธรรมดานั่นแหละเพราะท่านมีคุณธรรมสูงมากมันของเรานี่ได้มีโอกาสถึงท่านเหล่านั้นว่าเป็นสาระเราก็ได้บุญมากมายมหาศาลเลยนะเขาบอกว่าเป็นการตั้งจิตไว้ชอบเป็นสัมมาทิฏฐิที่นับถือ วัตถุหรือบุคคลหรือผู้มีคุณธรรมที่ควรนับถือเรียกว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตัมังนี่เป็นอุดมมงคลนี่เป็นเหตุให้ถึงความเจริญงอกงามต่อไป